มีหลายคนพอจิตเริ่มวางจากเวทนามันวิ่งลงไปนู่นแล้วทีนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วเจียววิ่งอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ก็แก้ได้เหมือนกันนะไอ้อยู่ข้างในไม่ผิดอะแต่มันจะทำให้ความนุ่มของจิตหายไปแล้วมันก็ไม่เชื่องอยู่กับลม เราก็ต้องหัดยืดตัวตรงๆเหมือนกันเหมือนแก้ทีนามิตะเรียกว่าแก้ด้วยความรู้ตัวอย่างแรมันไม่ออกเลยบางทีเราก็ยืดตัวให้ตรงแล้วก็มารู้ลมหายใจลมหายใจเหมือนรถไฟนะเราจะไปเชียงใหม่ลมหายใจให้เหมือนรถไฟแล้วเราไปเชียงใหม่มันจอดเป็นสถานีสถานี แต่มันจอดเราก็เราไปหลงไม่ได้หรอกนะไอสวนดอกไม้ข้างทางไอคนที่เราเคยรู้จักที่เดินอยู่ที่หน้าสถานีใดสถานีหนึ่งแล้วเราจะวิ่งลงไปหาเขาไม่ได้เราต้องนั่งอยู่บนรถไฟจนถึงเชียงใหม่เราลงตรงไหนการเดินทางของเราก็สิ้นสุดลงตรงนั้น อันนี้อยากเอาจารย์ว่าในขณะที่เราเจอเวทนาเอทุกเวทนาในการเดินเช่นปวดหลังหรือปวดฝ่าเท้าเนี่ยแล้วเรากลับมาอยู่ที่การเดินรู้สึกตัวที่เดินไอ้ความเจ็บปวดนั้นมันจะถูายไปห้ไปแว่ารูปนั้นดับไปแล้วดับแล้วใช่ัหครับแล้วมันสักพักนึนแบมปวดอีกแสดงว่าตัวใหม่ตัวใหม่ใช่่ตัวที่ดับได้จะไม่เกิด ตัวที่ดับแล้วจะไม่เกิดอันนี้คือรูปดับเกิดแล้วก็ดับใหม่ตัวที่เกิดเกิดด้วยสภาพปัจจัยให้เกิดตัวที่ดับก็ดับไปด้วยการดับของปัจจัยจึงทําให้ดับตัวที่เกิดก็เกิดด้วยอํานาจของปัจจัยทําให้เกิดตัวที่ดับก็ด้วยอํานาจของการดับของปัจจัยนั้นมันก็เลยดับเพราะฉะนั้นตัวที่ดับไปแล้วไม่เกี่ยวกับตัวที่เกิดแต่เรามักจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันอันนี้คือรูป แตนี่นามเวลาเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะที่เราคิดเรารู้ตัวว่าไ้เรากำลังคิดแล้วนะครับมันกลับมาที่ที่เท้าที่เดินกลัมาเรู้สึกตัวที่เดินไอ้นามที่คิดอยู่แล้วมันก็ดับไป ừ, อันนี้ก็คือหลักการเดรัมที่เกิดขึ้นนั่นคือรูปการ<า>ใช่ใช่ใช่ความคิดที่เกิดมันก็เกิดพอความคิดนั้นหายไปมันก็คือดับแล้วมีความคิดใหม่อาจจะเป็นเรื่องเดิมอีกแต่ถ้าเราตามหาเนื้อหาเนื้อหามันแต่มันคนละคิดแล้วมันคนละคิดเดือดแต่เมื่อจิต จิตที่มีสติและสมาธิแข็งแรงมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้ด้วยตัวมันเองว่าคนละตัวแล้วมันจะรู้ชัดไอ้ตัวที่ดับไปแล้วมันก็จะรู้ว่ของอ้ตัวนี้ดับไปแล้วแล้วการที่มันจะรู้ว่าการดับไปบ่อยๆของสภาวะเหล่านี้จิตก็จะคลายตัวอกว อ, อกมาคลายตัวออกมาเพราะอะไรก็ตามที่จิตเห็นว่ามันดับไปแล้วเนี่ยจิตจะคลายความยึดออกมาจะไม่ค่อยยึดแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยเราเห็นว่าอะไรที่มัน แตกสลายสูญหายไปแล้วมันจะค่อยๆ ค, คลายออกมาคลายออกมาคลายออกมาคลายออกมาจนในที่สุดมันเห็นว่าทั้งหมดนั่นอะไม่มีเลยมันก็แค่เกิดขึ้นและดับไปเกิด ข, ขึ้นและดับไปอันนี้จะไปใช้กับตรงไหนได้มั่งรู้ไหมจะไปใช้ตรงไห น, นมันจะริดรอนอะไรกันในชีวิตประจําวันของเราถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะจูบริดรอนออกไปจากชีวิตประจําวันของเราก็คือสิ่งไร้าสาระ เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราตอนนี้มันมีอะไรร้ายสาระมั่งเพราะเราไม่ได้ไปคิดแต่เมื่อเราฝึกฝนการปฏิบัติอย่างนี้สติกับสมาธิของเราเจริญขึ้นไปอย่างนี้ภูมิจิตของเราเปลี่ยนไปแบบนี้แข็งแรงขึ้นไปแบบนี้มันจะริดรอนสิ่งที่มันร้ายสาระออกไปมันจะริดรอนออกไปเองอะไรคือสิ่งร้ายสาระสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตเลยสิ่งที่มันมเป็นประโยชน์กับชีวิตเลยมีเยอะให้วันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะ อ่ะมีเยอะป่ะอยากทดสอบดูไหมถ้าเรารู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะตายเราจะทําอะไรฮะอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะตายแล้วว่าหัวใจของเราเนี่ยมันเต้นอยู่ใกล้ถึงลิมิตแล้วมันเหลือลักษณะของการเต้นของมันเหลืออีกสามพันครั้งนับเลยหนึ่งนับถอยหลังเลย อีกสมพันครั้งครบ3สามพันเมื่อไหร่หมดอายุของการใช้งานหัวใจของเราเราจะเห็นสิ่งที่ไร้าสาระในชีวิตของเราในขณะนี้เยอะมากและเราจะเริ่มวิ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นสาระ <c oughs> ในลักษณะการเต้นของหัวใจถอยหลังกลับไปจากสามพันหลือศูนย์เนี้ยเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็นสิ่งไร้าสาระ การการการฝึกฝนแบบนี้มันจะตกผลึกมาเป็นสติกับสมาธิใอ้กระจิตีนอย่างตรงนี้ยังเป็นอยู่แต่ถ้าเราหลุดจากตรงนี้ไปไปเกลือ ก, กล่วอยู่กับสิ่งข้างนอกด้วยปล่อยให้ให้ความเพลินเข้ามามีบทบาทสักระยะหนึ่งมันก็กลืนกินสิ่งที่เราสะสมไว้เนี่ยหมด มันก็จะเหลือแค่สัญชาตญาณที่สะสมแบบธรรมชาติธรรมชาติพอให้มีอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองไอ้ตัวที่จะทําให้มันเกิดแบบธรรมชาติพอที่จะให้เรามีจิตเป็นที่ตั้งของกิเลสให้มันมีความอดทนพอกับกับความเป็นไปได้แต่วันหนึ่งว่าหนึ่งส่วนมากมันจะได้จากอะไรได้จากความหลับไอ้ที่เรานอนหลับนี่นะไม่ใช่มันนอนหลับเฉยนี่มันได้อะไรมาด้วย ได้สมาธิแบบธรรมชาติอันเป็นกําลังให้กับจิตพอที่จะให้อยู่ได้วันหนึ่งๆเท่านั้นเองพอตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกไงกระปรี้กระเปล่าใช่ไหมเออแล้วเป็นไงอาบน้ําอาบท่ายังไม่ทันแต่งตัวเลยโทรศัพท์ดังกริง๊งเงี่ยเช็คนี้ไม่ผ่านเลยมีเช็คเช็คเด็กมาสองใบแล้วนะเงี้ยตายแล้วไปไหนแล้วจิตไปไหน วีบหาเลยของใครเด้งมันได้ยังไงทำไมมันถึงเด้งโทรศัพท์เบอร์นั้นโทรเข้าไปแล้วมันปิดโทรศัพท์เข้าไปแล้วไม่มีคนรับอีกไอ้เจ้าของเช็คอะได้โอ้เป็นไงหมดนอนมาคืนหนึ่งได้สติกับมาได้สมาธิแบบธรรมาชาติหน่อยเดียวเกี้ยง จึงมีคนมาปลอบใจว่างเงียจะเย็นเย็นนั่งสบายๆนะกินน้ำเย็นเย็นชวนดูนู่นดนี่ให้เปลี่ยนเรื่องคิด <laughs> พอได้สบายอกสบายใจขึ้นมาหน่อยหนึง่งอก็ได้มายะหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ที่ฉลาดจะหาวิธีสะสมอุเบกขาให้กับจิตแบบนี้บ่อย แล้วจิตจะคมมากแล้วอยากเข้าใจว่าเวลาเรานั่งสมาธิเรากลับไปบ้านแล้วเราจะต้องไงมามาฝึกกับอาจารย์แล้วกลับไปถึงบ้านนั้นเป็นไงจากคนที่ทํางานรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวช้าช า, ชาเนิบเนิบอย่าไปบอกว่าเป็นลูกศิษย์กูนะ <c oughs> จิตถ้าเมื่อได้รับการฝึกฝนแล้วมันคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วเหมาะกับงานทุกชนิดเรียกว่ากรรมนิยัง พอกลับไปเสร็จเดินเนิบเดิบเอื่อยๆอือออจะพูดอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมไมรับเป็นลูกศิษย์เสียชื่อระพูดธเจ้าหมด <c oughs> จิตยิ่งฝึกยิ่งมีอนุภาพอานุภาพของจิตเป็นวิปริสุทธโธคือบริสุทธสมาฮิโตคือมั่นคงแน่วแน่ กรรมนีิยังคล่องแคล่วว่องไวงนั่นแหะโดยที่สําคัญของจิตเมื่อฝึกฝนแล้วจะเห็นอกุศลชัดและจะเห็นกุศลชัดที่สําคัญของจิตที่ฝึกแล้วนอกจากเห็นได้ทําไงเขาจะมีฉันทะต่อกุศลและจะมี ความโน้มก็ไปสู่การละอาคุลนี่ชัดเจนมากเหมือนกับหญิงสาวที่รักสวยรักงามผู้ชายก็ได้เดี๋ยวนี้เออเหมือนกันนะหญิง <Okay. S 1> สาวหรือชายหนุ่มที่รักสวยรักงามที่เขาเช้าขึ้นมาเอาคันชองสองหนะ้าเอากระจกอะนะคัน ช, อ ง, อ, งนะ อ, นชองรู้จักไหม <Yeah. S 1> ทุกคนนยังพกในที่มานไหนมีพกบ้างอะเอาคันชองสองหนะ้าเพื่อหาอะไร หาฝวยหาฟ้าหาอะไรที่มันเป็นเม็ดเป็นมวลทินที่ผิวหน้าเนี่ยถ้าเขาเจอแล้วโอ้โหเขามีความมุ่งมั่นแน่ๆที่จะกําจัดกําจัดใช่ไหมใช่ป่ะเออแต่ถ้าเขาตรวจแล้วเขาไม่พบเลยหน้าเขาใสกรึ้มเขาจะเกิดความอะไรแฮปปี้มีความสุขเหมือนกันเลยเหมือนกับจิตที่พอฝึกฝนแล้วเนี่ยมัน มันมีความมุ่งมันมีฉันทะในการรู้ความเคลื่อนไหวอันเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัจจุบันอะไรที่เป็นกุศล น, นะมันมันขว่วยๆที่จะทำให้เกิดการโน้มเข้าหาอะไรที่เป็นอกุศล น, นะมันก็จะโน้มเข้าไปสู่การละเป็นโดยตัวของมันเองเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงอะ่ะให้ลูกให้หลานมาฝึกฝนมาปฏิบตัติมันที่จะมันจะไปเป็นคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้ นอกจากว่ามันมาไม่ถึงนอกจากมันบอกว่าวันนี้จะไปเข้าโคดของอาจารย์ตกเย็นมันมาไม่ถึงเนี่ย <S <S 1> <S 1> แล้วเมื่อเราเราทำอย่างนี้แล้วเป็นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าวิธีการที่จ ะ, จะเจริญสติเป็นอย่างไร ในยามที่เราไม่ได้ใช้ลมหายใจเราใช้อย่างอื่นก็ได้ทันพระพิจ้าจึงสอนไว้ทั้งหลายวิธีเฉพาะในส่วนที่เป็นกายคตาสติตั้งแต่ลมหายใจเห็นไมเรียกว่าอนาปาั น, นสติปรับพระต่อไปก็เป็นอะไรเป็นอิริยาบทใช่ไหม อิริยาบถก็ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่อิริยาบถร่อยเรียกว่าอิริยาบถปับพระที่เขาเดินจงกลมกันอยู่นั่นแหละอิริยาบถปับพระเรียกว่าบับของอิริยาบถบับของลมหายใจเรียกว่าบับอะไรกันต่อจากนั้นคําว่ากายยะตาสติเข้าใจไหมเข้าใจว่า สติที่จะใช้ให้มันเป็นธรรมะได้มันจะต้องมีการระลึกท่องไปในกายเนี่ยในกายนี้อาจจะท่องไปให้ระลึกในกายคนอื่นมันไม่เป็นธรรมะเลยใช่ไหมท่องระลึกไปในกายคนอื่นเนี่ยมไม่เป็นหรอกมันจะเป็นต่อเมื่อมันโน้มเข้ามาสู่กายนี้ไม่งั้นหมอก็สม เ, เป็นพระหานหมดแล้วหมออยู่กัอาจารย์ใหญ่ไม่นูาสักคนเนี่ยแต่ละคนเนีโอยเยอะแยะมากมายเลย แต่มันไม่เป็นธรรมะมันเป็นเพียงแต่มันเพราะว่าเขาไม่ได้นมเข้ามาสู่กายนี้แต่มม น, น, นมเข้ามาสู่กายนี้เมื่อใดหมอคนไหนที่นมเข้ามาสู่กายตนเมืม่อได้หมอคนนั้นก็จะเป็นคนที่ตรงต่อการปฏิบัติธรรมมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นหมอหลายๆคนออกมาเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักบรรยายนักปาตกถาธรรมะกายยกตาสตีคือตั้งสติระลึกไปในกายนี้ เป็นลมหายใจเรียกว่ากายเยกายารูปัสสีวิหาฤติตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เวลาเรารู้ลมหายใจทำไมจึงชื่อว่ากายในกายอะไรเป็นกายในไอ้ น, นี่คือเรียกว่ากายใหญ่ใช่ไหมนี่ก็คือเรียกกายลมหายใจก็เป็นกายอีกกายหนึ่งอยู่ในกายนี้เอเออ นั่นแะเรียกว่ากายในายกายหรือพิจารณาเป็นาธาตุเรียกว่ า, าธาตุปรับาธาตุมีกี่าธาตุสี่าธาตุาร่างกายของเรานี้มันเป็นาธาตุสี่นะเราก็พยายามไปเรื่อยๆช้าๆว่ า, าธาตุสี่มีาธาตุอะไรมัง่งดินน้ําลมไฟส่วนที่เป็นดินก็ลักษณะที่มันเข่นแข็งอ่ะมีตรงไหนมัง่งอย่างนี้เราต้องอาศัยปริยัตินิดหน่อย ถ้าเป็นไปได้พวกเราทุกคนเนี่ยสองบทที่จะต้องไอ้บทหนึ่งที่ท่องให้ได้เลยคือเรียกว่าอาการสามสองท่องไว้เถอะหัดท่องให้เป็นอาการ3ามสองันเป็นพุทธมนต์อัตติมัชฌมิงกาเยกยีสาโลมานัคขะดันโตดันตาตะโจมังสังน า, ารูอัติอัติตยังวักกังท่องได้ไหมฮะ ไ, ไท่องท่อ ง, องไว้มั่ง อย่าท่องคาถามหาลาภไอ้นั่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าในบางคนคาถาเท่าเป็นเล่มๆเลย น, น, น, นี่หลายคนนั่นไม่ต้องถามว่าใครมั่งแต่คาถาแล้วโอ้ยท่องกันจังไอ้เนี่ยเป็นพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าสอนมาเหนือมนบทใดไอ้หลวงตาวางังรู้จักหลวงตาวังไหมเคยดแล้วไอ้วังแล้วนี่ หลวงตาวังเนี่เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องมณ์มณ์ของหลวงตาวังนี่หมายความว่าเห็นหัวกระโหลกคนเนี่ย oh. แกมีลักษณะของแกแกสามารถรู้ว่าไอหัวเนี่ยไปนรกหัวนี่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหัวนี่ไปสวรรค์หัวนี่ไปเกิดเป็นมนุษย์แกรู้แกเก่งอะ่ะเออหลวงตาวางังหลวงตาวางัง <c oughs> เป็นนักบวช น, นอกศาสนาเนะย ไปไหนลูกน้องโดนตามเป็นแถวลาบสการะเยอะเข้ามาอยู่หน้าวัดประเชตวันน่ะเอคนมันไปไหนกันวะหลวงตาวังยืนอยู่เนี่ยไอ้ลูกน้องก็พยายามไปบอกนี่พวกท่านจะไปไหนกันนี่ท่านอาจารย์วังมาอยู่นี่แล้วแวะมาที่อาจารย์วังช่วยท่านได้ทุกอย่างไอ้คนพวกนั้นในเมืองสาวัตถีมีคนอยู่เจ็ดโกรธเคยพูดในความเก่าสมัยพระเจ้านะมีคนอยู่เจ็ดโกร เป็นพระอริยะเสียห้าโกดยังเหลือเป็นปุตุชนเสียสองโกธและในสองโกดนี้ถึงพระรัสนะใรใช่เป็นส่วนมากกิจวัตรของคนที่เป็นอริยสาวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงจะเป็นโสดาบันสกาดทาคารเน่นะอนาคาเน่นกะิจวัตรเขาเป็นประจำเลยวันหนึ่งสองครั้งเช้าไปวัดเย็นไปวัด เช้าก็มีอาหารขาวหวานของถวายพระไปเย็นก็มีปานะเพสัตดไปถ้าไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือดอกไม้ทูบเทียนแล้วเขาไปเพื่อฟังธรรมทั้งนั้นทีนี้อาจารย์วังไปอยู่หน้าวัดประเชตวันคนมันมาจากไหนเดินไปแถวแถวแถวแถวเข้าวัดประเชตวันพวกนี้ก็จะไปความเทศกันไไอ้ลูกน้องก็ไปจักไปชักชวนมินหน้ามาไง นี่อาจารย์วังอยู่นี่ผู้รอบ ร, รู้รู้ทุกอย่างเลยถามอะไรมีปัญหาอะไรถามมีปัญหาอะไรตอบได้หมดแก้ได้หมด <c oughs> พวกนั้นก็ไม่มาแล้วพวกนั้นน่ะพวกตุรบัลพวกอาจารัสสทาก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ว่าก็จะไปคว่างทำกับพระพุทธเจ้าไอ้พวกลูกน้นงนองวิ่งมาบอกอาจารย์อาจารย์ไม่มีใครสนใจเลยเขาจะไปคว่างทำกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคว่างทำกับพระเจ้ามันคว่างอะไรวะเพวนนักกับพระพุทธเจ้าไหนมันจะดีกว่าเรา ก็ลงเข้าไปมั่งเข้าไปถึงหาพระเจ้าชายลูกน้องบอกเดี๋ยวรอที่เงี้ยคือจะเข้าไปดูที่ว่ามันจะไปไงไปถึงนั่งขฟังคนเข้าไปเข้าไปไปถึงถามพระเจ้าเห็นพระเจ้าถามันวังกีสะเได้ยินได้อย่างวังกีสะวังกีสะเจ้าได้ข่าวว่าเจ้านี่รู้หัวกะโหลกเห็นหัวกะโหลกแล้วจะทายได้เลยใช่ไหมไอ้คนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหน จันวางเขาบอกอสบายพระพเจ้าก็ให้คนเอาหัวกระโลกมาสี่หัวตามหัวนี้ไปไหนเน่ยโอ้ยนี้ไปเกิดนรกพระพเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรัสว่าถูกหรือผิดนะทรงนิ่งเฉยเฉยคนก็ก็เข้าใจว่าถูกนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงถูกหรือผิดเราไม่รู้อันนี้ไปไหนอ่ยไงอ่ะนี่ไปนรกอันเนี้ยอันนี้ไปเกิดเป็นเดริชานอันเนี้ยอันนี้ไปเกิดในสวรรค์อันเนี้ย นี่เกิดเป็นมนุษย์เออแล้วพระพุทเจ้าก็ให้ไปออกมาอีกอีกหัวหนึ่งแล้วเนี่ยทายไม่ออกเว้ยอาจารย์วังจนปัญญาอะไรสิเพราะเป็นกะโหลกของพระอาหารหันต์ไงแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าแม้นว่าเป็นการทายกะโหลกแต่อาจารย์วังนี้ไม่ได้โมเบเหมือนพวกหมอดูปัจจุบันนะ ไอ้พวกหมอรูปัจจุบันนี้มันไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของมันนะอันไหนที่คนหลงได้ง่ายอันไหนที่คนเข้ามาแล้วเชื่อได้ง่ายนะมันจะยึดอันนั้นมันไม่ยึดหลักวิชาแต่ของอาจารย์วางแสดงว่าการทายทํานายการโลกลแต่ลกกะลการโกลของแกเนี่ยเป็นหลักวิชาผิดถูกไม่รู้แต่ลกะลกาโกลแต่ลกะลกาโกลพอการโลกลที่ง่ายพระเจ้าไม่ให้ทำนายทายไม่ออกเพราะเป็นการโหลกพระองคหัน ไม่มีคุณสมบัติในวิชาที่ท่านอาจารย์วังเคยเรียนมาก็ทายไม่ได้พระพเจ้าบอกว่าเจ้าทายไม่ถูกแต่เรารู้ว่ากระโหลกนี้ไปไหนอาจารย์วงังอโอ้พระองค์รู้ อ, อยเราก็เข้าใจว่าเราแน่พระพุทธเจ้าแน่กว่าเราอีกไว้เราต้องเรียนมนนี้ได้ถ้าเราได้มนนี้มาแล้วเราก็จะเหนือกว่าทุกคน น, นั่นเราจะช่วยสอนพระเจ้าหน่อยพระพเจ้าบอกอเราไม่สอนพวก ข้างนอกเราจะสอนนักยาพวกที่บวชคิดหนักและาาย์วงังวิ่งกลับมาถึงบอกลูกน้ลูกน้องนี่รอไอพวกเขเรียกอะไรแฟนขับยันวางมีเอฟซีเอฟซอยู่ข้างนอกเนี่ยเพียบรออยู่ข้างนอกบอกพวกเองอย่าไปไหนให้กอะกลุ่มกันไว้ดีรออยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าเนี่ยจะไปบวชเรียน ยอดมนอีกบทหนึ่งจากพระสมณโคดมจะเรียนได้เมื่อไรแนละ้วพวกเองเอ้ยข้าจะเป็นยอดคนแล้วรออยู่นี่นะพวกแฟนคลับก็รอเข้าไปบวชบวชเสร็จเจ้ายังไม่ได้สอนก็เข้าไปทวงนี่นะข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์บอกจะสอนยอดมนอันเป็นพุทธมนให้ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่สอนเลยสอนได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกอได้อันเธอต้องจํำอย่างนี้เนี่ย อธิมัตมิงกาเยเกซาโลมานาคาดันตาตาโจเนี่ยกลับไปท่องกันใชนะพุทธมุนนะพอท่องเสร็จไม่ใช่ท่องธรรมดานะท่องกลับไปกลับมาทั้งอนุลมและปัตตลมจนขึ้นใจแต่ท่านวังกับเราผิดกันอย่างหนึ่งอาจารย์วังเวลาท่องว่าเกซาเกเข้าใจความหมายเลยเกสาคือผมใช่ไหม เราเ่อกี้สาเราต้องนึกกลับผมทีนี้เราให้ต้องเป็นพาราไทยของเราอ่ะเอาผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อะในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีทะเลดนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลี่ยวมันน้ำลายน้ำมูกไก่ก้อมูดพอสามสิเอ็ดไม่ต้องเอามันสมองเอาขาแค่นี้พอท่าไงกันได้แค่นี้ย ไม่ขลังอะสิทีท่องพระราไทยนะต้องท่องบาหลีถึงจะขลังท้องพระราไทยก็ได้พราผมให้เอาทีละหมวดหมวดที่เราสามารถเห็นได้รู้ได้ชัดหมวดแรกเลยห้าตัวเรียกว่าตัจับบรญจักากรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าเนี่ยเนี่ยหมวดห้าเนี่ยผมขนเล็บควันหนังก่อนห้าอย่างนี้สามารถรู้ได้ได้ไง่ายผมรู้หย รู้ไม่ต้องไปเปิดตำราศึกษาเลยจับปั๊บบนหัวตัวเองเนี่ยเนี่ยผมขนเนี่ยตามเนี่ยทำ ต, ตัวทำมาทวดทับร่างกายรู้เล็บเนี่ยรู้ไอ้ตัวถ้เรียนปริยัติแล้วรับว่าหน่อยดูลักษณะผมคือสิ่งเป็นเส้นเสนนอกบนศีรษะเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องหลังเพียงปลายคอต่อเบื้องขวางมีหมวกหูทั้งสองข้างเป็นตีดสุดได้แก่ผมเออตรงไงอ้าวขน สิ่งเป็นเส้นๆขึ้นตัวสับปังกายยกเกศาเสียเว้นขวามือขว่าเท้าได้แก่ขนเอาเล็บสิ่งเป็นเกล็ดเกล็ดหอกตามปลายมือปลายเท้าได้แก่เล็บท่องไว้ควันกระดูกเป็นที่ที่งอกที่ขางเบื้องล่างเบื้องบนสําหรับบดเคี้ยวอาหารได้แก่ควันหนังสิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวได้แก่หนังเอาละเอาละทีนี้เนี่ยพุทธบุญคืออาจารย์วังไม่ต้องฟังแบบนี้ อาจารย์วังแกแขวงพระเกศาโลมานักขาดันตาตาจูจำไปเสร็จแล้วท่องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเช้าขึ้นมาเป็นห่วงแฟนขับเดินออกไปเจอพวกน้องกำลังตั้งกลุ่มรอกันใหญ่นะเฮ้ยรอเดียวรอเดียวเนี่ยได้มุนแล้วกําังกำลังกำลังอยู่กําลังอยู่รอนะอย่าไปไหนอย่าไปไหนกลับไปถึงพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมาก็เห็นความจริงทั้งห้าประการก่อน เห็นผมขนเล็บควันหนังโดยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่นะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมีสีก็ไม่สวยงามสันฐานก็ไม่น่ารักครกลิ่นก็เหม็นของใครหอมมั้งอ่ะพอเห็นความจริงเลยนะอ่าสีก็ไม่สวยงามอ่อสันฐานก็ไม่รักไร่น่าไม่น่ารักหน้าไร่เลยกลิ่นก็เหม็น ที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยปุโป โ, ปโลหิตน้ําเหลืองน้ําเลือดอันมีอยู่ในร่างกายอาจารย์วังเห็นอย่างนี้ยิ่งพิจารณาไปพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ไว้จนกระทั่งจิตเกิดการถ่ายถอนราคะความกําหนัดยินดีออกไป พอจิตถ่ายถอนราคะาความกำนัดอินดีออกไปจากจากตัวเองเนี่ยมันจะป่วยกล่าววบใหญยเหมือนของกระดืนอนะทีนี้พอคลายความกำนัดออกไปออกไปออกไปจนจิตไม่มีอุปท า, านพออุปท า, านไม่มีในจิตจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสใช่ไหมนั่นนะมันจึงถึงที่สุดของพุทธมนต์ทำไงทีเนี้ยอาจารย์วังหลวงตาวัง ถึงที่สุดเสยแล้วหมดอุปท า, านแล้ว<ม>ก็ยังมีความเมตตาต่อแฟนกลับเดินออกไปบอกอพวกโยมกลับไปเถอะแต่ก็เดินกลับวัดอยู่กับพระพุทธเจ้าสำเร็จเสีแล้วเพราะฉะนั้นพุทธบุญสำคัญมากนะสำคัญกว่าพวกมหาลาภพวกคาถานน้นคาถานี่นะท่องไว้สิ่งที่จะควรท่องไว้อีกถ้าจะท่องนะ อาณาปานสติสูตรท่องไว้แต่ถ้าจะท่องอีกก็พวกปฏิจสมุบาทท่องไว้ท่องให้มันติดใจไว้อวิชชาปัจจยาสังฆาราสังฆาราปัจจะยาบินญาณังบินญาณปัจจยานามารูปังนามารูปะปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโสผัดสะปัจจยาวิถนาเวทนาปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทาณังอุปาทานะปัจจะยาภวภวปัจจยาชาติ ชาติปัจจัยเชรามรณังโซกัปาริเทวทุกข์ดมนัตุปายาสัมพวันติเอวเบตาสักเาวละสัตว์ทุกขกันทัตตสมุทัยโยโหติอวิชายตะเววาอาศัสัวิรากานว่าเรื่อยจบปฏิจิุวัฏท่องไว้เพราะอะไรเพราะปฏิจิณบาฏคืออริยสัจสีโดยละเอียดถ้าจะท่องท่องให้จำ ถ้าเกิดว่ารองตายไปแบบพัดจับผู่มัวหมองลงไปโมพบาลถามเนี่ยมพบาลชอบถามนะรู้ป่ะฮะอ้าวไม่รู้เหรอไม่รู้เดี๋ยวถ้าใครไปกลับมาบอกด้วยนะจริงจริโรงพบาลชอบถามนะเอออย่างงี้ก็ได้ได้ได้เออ โยาบาลจะชอบถามอย่างนี้ก็จะชอบถามชอบถามว่า mm hmm. เกิดมาเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ย mm hmm. เห็นคนเกิดไหม mm hmm. โเห็นกือไม่เห็นยังไง mm hmm. เห็นแล้วรู้สึกยังไงตอบไม่เป็นเห็นคนแก่ไหมเห็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงตอบไม่เป็นเพราะว่าอะไร mm hmm. มันสร้างภาพไม่ได้ดิ มันไม่มีสมองเนี่ยมันไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรวะเส้นใยประสาทเส้นใยประสาทของเราที่จำจำจำจำอยู่ในสมองอะ่ะไอตัวนี้มันจะช่วยหลอกเราให้สร้างภาพจริงๆเราไม่ดีหรอกแต่ทําตัวให้มันดีๆต่อหน้าผู้คนไอเนี้ยไอเนี้ยมันอาศัยใยสมองใยประสาทช่วยสร้างภาพเพราะไอเส้นใยประสาทแต่เวลาเราไม่มีร่างกายนี้ไอเซลสมองตัวนี้ไม่มีใช่ไหมนี่นี่มัน มันไม่โกหกโกงไม่เป็นนะเอา้าเห็นคนแก่บ้างไหมที่เกิดมาเห็นดิเอา้าเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอบไม่เป็นนะแต่เราท่องปฏิจจสมุปบาทไห้แม่นพอไปถึงเห็นคนเกิดมามเอออย่าว่าแต่เห็นคนเกิดเลยครับอวิชชาปัจญาทั้งก้าราษโอ้ยยมบาลปลื้มมากใครท่องปฏิจจสมุปบาทได้อะ ฮะแล้วเกิดททันีเเอขาว่าถามก็ถามไมเหอะ <laughs> <laughs> มันเดินกันไปไม่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ยเขาว่าถามก็ถามไปเห <laughs> มือนเขาบอกบว่านกอินทรีพูดได้ก็พูดได้ก็พูดไปเอจะรอให้อีกเ <laughs> มื่อ แต่ว่าไหนๆก็ถามแล้วถ้าเราเกิดเป็นสัตว์รกก็เกิดทันทีนะเออมันก็เออก็ถามแล้วมันกเกิดแล้วเนี่ยถามแล้วมีโอกาสแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีหลายคนนะ่ะที่เข้าไปแล้วก็กลับมานะแล้วก็ามาเล่าแต่เล่าแล้วก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่าของใครจริงของใครไม่จริงแต่ถ้าในพระไตรปิฎกก็มีที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องพวกนี้ ที่สอนเกี่ยวกัเรื่องพวกนีข้ของพระพุทธเจ้าบ้างของพระสาวกบ้างของใครต่อใครบ้างเรื่องผีเรื่องอะไรเทวะเทวดาเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีอันไหนช่วยเราพ้นทุกได้ครับสิ่งที่จะพ้นทุกได้ก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญ า, า, าที่จะช่วยให้เราพ้นทุกได้นอกจากนั้นไม่มีเทวดาเนี่ย เราอยากจะไปเป็นน่ะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่จะให้เขามาช่วยเองไม่ได้หรอเพราะพวกที่หวังจะให้เทวดามาช่วยส่วนย่อส่วนมากเป็นไงผิดหวังทั้งนั้นผิดหวังทั้งนั้นแหละแลวเราก็ถูกปลูกขวังไว้อย่างนั้นจิตใจของเราส่วนหนึ่งเราก็ปรารถนาอย่างนั้นสังเกตสิถ้าใครมาปฏิบัติธรรมที่นี่ ในสักร้อยเเซนในในในรอยเปซนเนี่ยถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซนต์นะเราจะสังเกตไม่ว่าเราจะมีความหวังแบบว่าส่วนหนึ่งอะเหมือนเหมือนกับว่ามีเทวดามีบุญมีอะไรที่อยู่อานาจนอกเหนือจากการควบคุมของเราที่เป็นฝ่ายดีที่เป็นกาลังทางฝ่ายดีเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วมันจะคอยมาปกป้องมันจะคอยมาโอบอุ้มเราคอยมาช่วยเหลือเรา ไอ้ความหวังอย่างเงี้ยมีอยู่หลายเปอร์เซนต์เลยในการปฏิบัติแล้วที่ว่านั่งเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัติ mm hmm. ก็มีเหมือนกันแต่มันเปอร์เซนต์น้อยส่วนมากถ้าวัยห้าสิบกว่า ที่เริ่มทำสมาธิภาวนาเพราะอะไรส่วนใหญ่ฮะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ไม่แน่แล้วไอ้คาว่าแน่มันมีมีแล้วกับเรามันประมาทไม่ได้แล้ว ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าหากว่ามันมีเราแย่แน่กันเหนียวนี่นี่เเรียกว่าเห็นทุกขอบนอกทุกขอบกระดง้งจะลึกลงไปกว่านั้นอีกเห็นคนแก่ที่สติฟันเฟือนเลอะเลือนโหยเวทนามากเลย มันต้องฝึกสติเพื่อให้สติแข็งแรงถึงยามแก่ชราแล้วจะได้ไม่เป็นคนมีสติหลงพันเพือนจะต้องไม่เป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บในบรรปลายก็ฝึกสติไว้ฝึกไว้มัง่งฝึกไว้ว่างนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อยฝึกไว้เรื่อยเืยด้วยเหตุผลหลากหลายนี่มาบางทีไอ้พวกนี้มานี่เพราะมาอะไรมั้งเนี่ยใช่เปล่าเออ มาเพราะว่ามาหาวิทยาลัยก็บังคับก็ด้วยเหตุผลหลากหลายอ่ะแต่เมื่อเข้ามาแล้วใครก็ตามที่ใช้ความต่อเนื่องในการฝึกฝนจนจิตเกิดฉันทะขึ้นมาอืมเกิดฉันทะก็เพราะว่าอะไรมันเกิดความรู้ ร, รูรู้จริงรู้แจ้งในสภาวะตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วมันทำให้ทีเนี้ยฉันทะมาแล้วเวลาฉันทะมาเนี่ย อะไรก็หยุดไม่อยู่มันเป็นเหมือนมันมาในอันเดียวกันแล้วที่นี่ไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องนี่อีกหน่อยนี่เงี้ยถ้าพวกนี้ถ้าเกิดเกิดฉันทากันหมดทุกคนเนี่ยอีกหน่อยต้องขึ้นป้ายว่าวันอาทิตย์นี้รับเท่านี้วันอาทิตย์นี้รับเท่านี้อีกหน่อยของอาจารย์ธุชีพนี่อาจจะจองกันสองปีสามปีเหมือนกับกระถินวัดปากน้ำแล้วที่เนี่ย ใครมีปัญหาอะไรจะถามมั่งเราการปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัตินะหนึ่งศรัทธาวิทยะสติสมาธิและปัญญาในอินทรีย์ห้านี้มันจะต้องเข้าใจในรูปแบบของมันเมื่อกี้พูดถึงว่าฉันทะเวลาใครไปปฏิบัติแล้วจเจริญสติแล้วเนี่ยได้รับผลที่เป็นสมาธิในชั้นของประจักษ์สติในชั้นของการประจักษ์กับจิตแล้วเนี่ย มันจะรู้สึกอย่างหนึ่งรักพระพุทธเจ้าอา้าวเรายังไม่รู้สึกรักพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเราต้องทำยังไงเราก็ต้องมันทำพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาขาดไม่ได้หรอกถ้าใครขาดการเจริญระลึกพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้านะยาก แต่เมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆจนมันมีความศรัทธานในพระพุทธเจ้ามากจิตเราจะโน้มเข้าไปสู่การปฏิบัติอย่างแรงไอ้ที่พูดเนี่ยจะสังเกตว่าพัฒนาการของจิตเราตัวที่เริ่มต้นจริงๆที่เราทำกันอยู่เพื่อหวังความเจริญขึ้น ข, นของสติสมาธิปัญญาถ้าไม่ ม, สมีสติสมาธิปัญญา การปฏิบัติใดก็ตามไม่เป็นที่เจริญขึ้นของสติสมาธิปัญญามันผิดพูดกันตรงๆนะแต่สติสมาธิและปัญญาแท้จริงแล้วมันมีอีกสองคือศรัทธากับวิริยะความเชื่อกับความเพียรมันจึงจะครบห้าไอ้นี้ไอคนที่มันน้อมตัวน้อมตนเข้ามานั่งอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าศรัทธามันก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งแล้วการที่ยอมนั่งสมาธิยอมเดินจงกรม นั่นคือความเพียรมันก็มีอย่างเียจึงไม่กล่าวถึงกันไม่กล่าวถึงกันกล่าวถึงแต่สติสมาธิและปัญญาแต่แท้ที่จริงความเพียร น, นั้นไอ้ความศรัทธานั่นมันต้องจะเรินพ่อพูนให้ยิ่งขึ้นจนถึงอาจารสัสศรัทธาคือความไม่หวั่นไหวเชื่อมั่นคงแน่แน่ไม่หวั่นไหวแล้วนี่เราก็ลองแสดงออกดู ว่าที่เราบอกว่าพระพุ้ศเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระผู้เทอเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระพเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าถามดูใจเรารู้สึกว่ามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งกี่เปอร์เซนก็ต้องฝึกฝนเงินไปอย่างนี้แหละ